บทที่9ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นในภาษาบาลีคำว่าอุปทานเป็นคำสมานมีรากศัพท์จากอุบในวงเล็บแรงกล้าหรือมากบวกอาทานถือเอาหรือยึดถือฉะนั้นอุปทานจึงแปลว่า การยึดถืออย่างมั่นคงหรือความทยานอยากที่มีกำลังแรงกล้าอุปทานจำแนกได้สีประการคือ 1. ความยึดมั่นในกรรมคุณ 2. ความยึดมั่นในความเห็นผิด 3. ความยึดมั่นในศีลพระพตที่ไม่ใช่ทางสู่ความดับทุกข์ 4. ความยึดมั่นในอัตตาความยึดมั่นในกรรมคุณ การมูปทานคือสัตว์โลกที่ยังมีตัณหาย่อมยินดีพอใจในกรรมคุณหรือเครื่องผูกกามห้าอย่างได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าปรารถนาพอใจรูปที่เป็นกรรมคุณเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจและดึงดูดสายตาอาจเป็นสิ่งที่สวยงามตามธรรมชาติ หรือสวยงามในสายตาของผู้ที่มองรูปารมที่น่าพอใจตามสมมติกันหรือตามความเห็นของผู้มองมักได้แก่บุรุษสตรีและสิ่งที่ทั้งบุรุษและสตรีปรารถนาคือเสื้อผ้าแก้วแหวนเงินทองรถยนต์เป็นต้นและไม่ใช่ปรารถนาเฉพาะรูป และสีผิวของเพศตรงข้ามแต่ยังพึงพอใจร่างกายทั้งหมดแม้วัตถุสิ่งของทุกอย่างก็เช่นเดียวกันรูปและสีเป็นเพียงสิ่งที่ดึงดูดความสนใจไปที่บุคคลหรือวัตถุนั้นๆเหมือนเสียงร้องของสัตว์ช่วยให้ในพรานสามารถแกะรอยตามสัตว์ไปได้เท่านั้นเสียงที่เป็นกรรมคุณอารมณ์ได้แก่ เสียงของบุรุษหรือสตรีเสียงเพลงและเสียงดนตรีบ้างก็ไพเราะอย่างแท้จริงบ้างก็ไพเราะสำหรับคนบางคนแต่ไม่เฉพาะเสียงเท่านั้นที่ดึงดูดใจเพราะเมื่อเราเพลิดเพลินพอใจในเสียงที่ได้ยินก็หมายถึงเราติดใจในบุคคลหรือสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงนั้นด้วยกลิ่นที่เป็นกรรมคุณอารมณ์มีหลายชนิดเช่นกลิ่นอาหาร กลิ่นแป้งหอมและน้าหอมเป็นต้นบุรุษและสตรีรูบไล้ร่างกายด้วยของหอมและพึงพอใจในกลิ่นเหล่านั้นและไม่ใช่เพียงลำพังกลิ่นที่ดึงดูดใจแต่เป็นร่างกายทั้งหมดอันเป็นที่มาของกลิ่นหอมกรรมคุณที่ได้จากการกินและดื่มย่อมมีที่มาจากอาหารและเครื่องดื่มรสที่ชอบใจ อาขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้บริโภคเช่นสุกรสุนักและสัตว์บางชนิดย่อมเห็นว่าขยะและของโสโครกเป็นของอรดอร่อยบางคนอาจชอบอาหารรสขมหรือรสเผ็ดจัดบางคนชอบสุรายาเมาความพึงพอใจมาจากความเห็นส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นเพราะมีความอร่อยอย่างแท้จริงและความพึงพอใจในรสอาหารนั้น ก็มีได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่อาหารแต่ความพึงพอใจรวมไปถึงการเตรียมอาหารและผู้ปรุงอาหารด้วยดังเช่นบุคคลที่ชอบรับประทานอาหารที่ภรรยาเป็นผู้หุงหาแม้ว่าจะมีฝีมือไม่ดีเด่นเป็นที่ประทับใจของผู้อื่นก็ตามการมคุณอารมณ์อีกประเภทหนึ่งคือผลถัพพารมณ์หรือสัมผัสทางกายเช่น ที่นอนอ่อนนุ่มและเนียนเรียบเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายหรือการได้สัมผัสสิ่งที่เย็นในฤดูร้อนและสิ่งที่อบอุ่นในฤดูหนาวหรือร่างกายของเพศตรงข้ามเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นโปรดถับพารมที่ไม่เพียงก่อให้เกิดความต้องการสัมผัสเท่านั้นแต่ทำให้เกิดความพอใจในร่างกายหรือวัตถุที่สัมผัสทั้งหมด การสัมผัสเป็นเพียงสื่อนำไปสู่ความยึดมั่นในร่างกายหรือวัตถุนั้นบรรดาสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนเป็นที่มาของการมาสุกได้ทั้งนั้นเช่นทองเงินเครื่องเพชรข้าวน้ำอัวควายเป็ดไก่รถยนต์บ้านและค่าทาสบริวารเป็นต้นคนเราจึงขวนขวายทำงาน เพื่อได้สิ่งที่นำความสุขมาให้เช่นได้รับประทานอาหารดีมีเสื้อผ้าดีมีบ้านดีและได้ดูหนังโดรละครเป็นต้นความทยานอยากในกรรมคุณหรือตัณหาจะนำให้เกิดความยึดมั่นในกรรมคุณอย่างแรงกล้ากามุปาทานเช่นเมื่อบุคคลเริ่มสูบบุหรี่จะรู้สึกเพลิดเพลินเป็นสุขแต่พอสูบไปนานๆเข้า ก็จะเกิดอาการติดบุรีและเมื่อคนเราติดหรือชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดีก็จะรู้สึกกระวนกระวายไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อไม่ได้เสพสิ่งนั้นตัญหาจึงพัฒนาเปลี่ยนเป็นอุปทานได้มิจฉาทิฏฐิ ความยึดมั่นในความเห็นผิดทิถุปาทานคำว่าทิฏฐิหรือความเห็นผิดในที่นี้หมายถึงความเห็นผิดทุกชนิดยกเว้นความเห็นผิดที่จะกล่าวต่อไปในข้อสามและข้อสี่ดังนั้นความเห็นผิดทำนองครองธรรมทั้งหมดจึงจัดเป็นอุปทานทั้งสิ้นในข้อนี้จะกล่าวถึงความเห็นผิดสิประการที่ครอบงมบุคคลทั่วไปไว้อย่างเหนียวแน่นมีดังนี้ ความเห็นผิดข้อแรกเห็นว่าทานที่ให้ไม่มีผลการให้ทานเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ความเห็นดังกล่าวเป็นการปฏิเสธคุณค่าของการให้ทานและการปฏิเสธผลของการทาบุญความเห็นนี้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะการให้ทานทำให้ผู้ให้มีความสุขและมีประโยชน์แก่ผู้รับทั้งทางกายและทางใจ ทั้งยังอาจช่วยให้คนที่จะอดตายได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและนับถือเมื่อสิ้นชีวิตจะได้ไปเกิดในสวรรค์คนที่ไม่เชื่อก็ยากจะเข้าใจถึงรางวัลที่จะได้รับในปลาโลกแต่ผลของกรรมในภพหน้าย่อมอยู่ในวิสัยที่พระอรหันต์และผู้ที่มีญาณอภิญญาจะพึงรู้เห็นได้ด้วยทิพยะจักษุ ทำให้สามารถเห็นผู้ที่ให้ทานได้เสวยสุขในเทวโลกและผู้ที่ตระหนักต้องเสวยทุกข์ในอบายภูมิแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่บรรลุฌานอภินยาก็เห็นนิมิตเหล่านี้ได้หากเจริญสมาธิให้มากพอถึงกระนั้นผู้ที่ไม่เชื่อก็อาจกล่าวว่านิมิตเหล่านี้เป็นเพียงจินตนาการที่ไม่มีจริง แต่ถ้าพิจารณาจากคำบอกเล่าที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ น, นั้นก็น่าจะมีน้าหนักพอให้เชื่อถือได้ความเห็นผิดข้อ2เห็นว่าการบริจาคมหาทานไม่มีผลความเห็นผิดข้อสเห็นว่าการเลี้ยงดูผู้มาเยี่ยมเยือนในวันปีใหม่เป็นต้นไม่มีผลข้อนี้กล่าวถึงการให้ทานที่นิยมกันในประเทศอินเดียสมัยนั้น ซึ่งถูกคัดค้านโดยพวกนอกศาสนาความเห็นผิดข้อสี่เห็นว่าบุญและบาปไม่มีจริงไม่เชื่อในผลกรรมทั้งที่เป็นบุญและบาปถึงแม้จะมีหลักฐานยืนยันว่ากรรมที่บุคคลทำย่ำก่อให้เกิดผลที่เห็นได้ในชาติปัจจุบันส่วนผลกรรมในภพหน้านั้นผู้ที่มีทิพยาจักษุจึงจะสามารถยืนยันได้ แต่ผู้ที่มีความยินดีในกรรมกุลอย่างแรงกล้าย่อมพอใจที่จะทำตามความปรารถนาอย่างไม่มีขอบเขตจึงไม่ยอมรับค่านิยมทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเป็นอุปสรรคขัดขวางการสแสวงหากามสุขและคอยหาเหตุผลมาหักล้างกดแห่งกรรมแต่หากวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็คือ ความพอใจในกรรมาคนที่มากเกินพอดีความเห็นผิดข้อห้าและหกเห็นว่าคุณของบิดามารดาที่ดูแลเรามาแต่ยาววายนั้นไม่มีโดยอ้างว่าเมื่อชายหญิงอยู่ร่วมกันก็ย่อมมีเด็กเกิดขึ้นมาจึงจำเป็นต้องเลี้ยงดูไปตามหน้าที่ดังนั้นลูกไม่จำเป็นจะต้องสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ เชื่อว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เป็นบุญและการกระทำผิดต่อพ่อแม่ไม่เป็นบาปข้อนี้เป็นความเห็นผิดที่ร้ายแรงมากและผู้ที่มีความเห็นเช่นนี้จะไม่ได้รับความเคารพนับถือจากบุตรของตนเองความเห็นผิดข้อ7กล่าวว่าไม่มีโลกอื่นนอกจากมนุษย์และดิรชานและปฏิเสธความเชื่อว่าสัตว์ดิรชานอาจมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปได้ ความเห็นผิดข้อ8ปดเห็นว่าพบขาดศูนย์เมื่อตายแล้วจะสลายไปไม่เกิดอีกไม่เชื่อว่ามีพบต่อไปเป็นการปฏิเสธการเกิดใหม่ของมนุษย์ในเทวภูมิหรือในอบายภูมิความเห็นผิดข้อ9ก้าเห็นว่าโอปปปาติกะกำเนิดการผุดเกิดโตทันทีไม่มีจริง ไม่เชื่อว่ามีเทวดาพรหมเปรตอสุรกายเป็นต้นที่ผุดเกิดโตทันทีแม้ว่าจะมีผู้รู้จริงจากการเจริญสมถะหรือวิปัสสนายืนยันว่าสามารถพบเห็นได้ความเห็นผิดข้อสิบเห็นว่าไม่มีสมณะหรือพรามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นโดยเชื่อว่าไม่มีผู้ใด ได้รู้เห็นโลกอย่างแท้จริงการสอนของสมณะและพราหมณ์จึงเป็นเพียงการคาดเดาเป็นคำสอนที่ผิดและชั่วร้ายปัจจุบันความเห็นเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากพวกนอกาศาสนาซึ่งปฏิเสธว่าไม่มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่รู้โลกตามความเป็นจริงจากการเพียงปฏิบัติทั้งนี้เพราะความไม่รู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับโลกนี้ อีกทั้งไม่รู้ว่าพุทธธรรมมีรากฐานจากปัญญาอันยอดเยี่ยมสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยตนเองในสมัยพุทธกาลศาสดาที่สอนว่านรกสวรรค์ไม่มีคืออชิตตะเะกษกรรมพลซึ่งปฏิเสธคำสอนของทุกๆศาสนาอย่างไม่มีข้อยกเว้นรวมทั้งปฏิเสธพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าด้วย สัมมาทิฏฐิความเห็นผิดที่กล่าวมาทั้งหมดโดยสรุปแล้วเกิดจากการไม่ยอมรับกฎแห่งกรรมเมื่อปฏิเสธกรรมก็เท่ากับยอมปฏิเสธผลหรืออนิสงของการให้ทานการเคารพ บ, บิดามารดาและคุณงามความดีอื่นๆตลอดจนการบำเพ็ญบารมีเพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือบรรลุพระอรหันต์ในทางตรงกันข้าม สัมมาทิฏฐิจึงเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเกี่ยวกับกรรมและผลของกรรมซึ่งค้านความเห็นผิดทั้งสิบประการดังนี้ความเห็นชอบข้อแรกเห็นว่าการให้ทานเกิดประโยชน์ผู้ให้จะได้รับความชื่นชมอย่างน้อยก็จากผู้รับซึ่งย่อมนับถือยกย่องผู้ให้ทานและช่วยเหลือตอบแทนเมื่อถึงคราวที่ประสบปัญหา ผู้ให้ทานย่อมได้รับกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่ดีในขณะใกล้ตายเมื่อเสียชีวิตไปแล้วย่อมชักนําให้ได้ปฏิสนธิในเทวโลกหรือมนุษยโลกปฏิสนธิที่ดีย่อมเป็นปัใจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานในภายภาคหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอาหารหันตาสาวกต่างก็เริ่มสร้างสมบารมีด้วยการบำเพินทานทั้งสิ้นอานิสงจากการให้ทานนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนบางคนประสบความสาเร็จต่างกันในการงานทั้งที่ทำงานชนิดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการทำไร่ทํานาบางคนประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องพยายามมากนักแต่ บางคนกลับไม่รุ่งเรืองแม้ว่าจะได้ทุ่มเทยอย่างหนักโชคชะตาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับการให้ทานหรือไม่ได้ให้ทานในอดีตชาติความเห็นชอบข้อสองและข้อสผู้ที่เชื่อในกฎแห่งกรรมย่อมไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับอนิสง์ของการให้ทานทั้งที่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่หรือทานเล็กน้อยเช่นการเลี้ยงดูอคันตุ ก, กะที่มาเยือน และการให้ของขวัญตามโอกาสที่เหมาะสมเป็นต้นความเห็นข้อสี่ผู้มีสัมมาทิฏฐิสามประการข้างต้นย่อมเชื่อกรรมและผลกรรมเชื่อรรว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักความจริงของชีวิตที่ไม่อาจปฏิเสธได้คนที่ดำเนินชีวิตด้วยดีตามคำสอนของบิดามารดาครูอาจารย์ย่อมเป็นที่รัก ผู้ที่คอยช่วยเหลือเมื่อจำเป็นและประสบความสำเร็จและเมื่อเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนดีมีความเจริญรุ่งเรืองในทํานองเดียวกันผู้ที่ประกอบกรรมดีในชาติก่อนย่อมได้ไปเกิดในตระกูลดีมีรูปงามมีทรัพย์มากมีสุขภาพแข็งแรงและมีมิตรแท้ ส่วนผู้ที่ประกอบกรรมชั่วในชาติก่อนย่อมได้รับผลที่ไม่ดีเช่นมีโรคภัยเบียดเบียนยากจนหน้าตาอัปลักษณ์เป็นต้นความเห็นชอบข้อห้าและข้อ6ความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมทำให้บุคคลมีความกะตันโยรู้คุณของบิดามารดาที่ได้ทนุถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่ปฏิสนธิในคัน ผู้เป็นมารดาย่อมระมัดระวังรักษาสุขภาพตลอดจนอาหารการกินและการเคลื่อนไหวของตนไม่ให้กระทบกระเทือนทารกในครรภ์ถ้ามารดาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็จะรักษาศีลและเจริญภาวนาเช่นพุทธานุสติเป็นต้นเพื่อการพัฒนาจิตใจของทารกเมื่อคลอดทารกแล้ว ทั้งบิดาและมารดาได้เลี้ยงดูอย่างดีสั่งสอนอบรมให้การศึกษาตามสมควรพอบรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ตั้งตัวได้เป็นหลักฐานดังนั้นจึงควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเคารพกราบไหว้และดูแลท่านเป็นการตอบแทนความกระตันยูกะตะเวทีต่อมารดาหรือบิดา หรือเป็นกรรมดีที่มีอนิสง์ยิ่งใหญ่ผู้ที่เคารพมารดาบิดาย่อมได้รับความเคารพเชื่อฟังจากบุตรของตนแต่ผู้ที่ไม่เคารพ บ, บิดามารดาก็มักจะมีบุตรที่ไม่อยู่ในโอวาทความเห็นชอบข้อ7ข้อ8และข้อ9ความเห็นชอบเกี่ยวกับโลกนี้และโลกอื่นที่ไม่อาจมองเห็นได้ ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของเทวดาพรหมและเปรตเป็นต้นมีที่มาจากความเชื่อเรื่องกรรมและผลกรรมเช่นเดียวกันกฎแห่งกรรมทำให้สัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาสามารถเกิดเป็นมนุษย์และทำให้มนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานได้แต่ผู้ที่จะรู้ชัดในเรื่องนี้จะต้องมีความสามารถพิเศษเช่นได้อภิญญา หรือปฏิบัติวิปัสนาจนบรรลุญาณปัญญาหรือต้องเป็นผู้ที่สามารถติดตามหลักเหตุผลได้เป็นอย่างดีผู้จเจริญสมถากรรมฐานจนบรรลุบุปเพนิวาสานุสติญาณจะสามารถจำอดีตชาติของตนได้หรือมีทิพพจักษุญาณเห็นผู้ตายแล้วซึ่งไปถือกำเนิดในภพใหม่ได้การอบรมจิตให้มีอนุภาพเช่นนี้ ผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็อาจทำได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาภาวนาก็อาจต้องพึ่งพาความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลในตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้ซึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกความสามารถเช่นนี้ว่าชาติสารยานบุคคลเหล่านี้สามารถเล่าเรื่องราวของตนในอดีตชาติ บางคนเคยเป็นมนุษย์เคยเป็นสัตว์หรือพูดผีปีศาจเป็นต้นผู้ที่มีเหตุผลย่อมจะเข้าใจได้ว่าหลังจากบุคคลตายจากโลกนี้ไปแล้วอาจได้ไปเกิดใหม่ในโลกอื่นและสัตว์จากพบอื่นเมื่อตายลงก็อาจมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์นี้ได้แนวคิดเรื่องการเกิดใหม่สามารถอธิบายโดยสมมติเปรียบเทียบกับบุรุษสองคน คนหนึ่งเชื่อกรรมและการเกิดใหม่ส่วนอีกคนหนึ่งไม่เชื่อบุรุษที่ไม่เชื่อกรรมและการเกิดใหม่ย่อมจะไม่บำเพ็ญกุศลหรือการให้ทานการรักษาศีลและไม่หลีกเลี่ยงการทาชั่วแต่จะทําทุกอย่างที่ใจปรารถนาดังนั้นเขาจึงไม่มีคุณความดีที่ใกลๆจะยกย่องนับถือได้หากความเชื่อของเขานั้น เป็นความเชื่อที่ผิดและกฎของกรรมมีจริงชาติหน้ามีจริงเขาย่อมต้องตกไปสู่อบายภูมิทันทีที่สิ้นชีวิตลงและจะต้องทนทุกข์อยู่ในสังสารวัฏอีกหลายภพหลายชาติในทางตรงกันข้ามบุรุษที่เชื่อว่ากรรมมีจริงชาติหน้ามีจริงย่อมพยายามหลีเกเลี่ยงการทำกรรมชั่วและทำแต่กรรมดี ดังนั้นแม้จะไม่ปรากฏแห่งกรรมและไม่มีการเกิดใหม่เขาก็ยังได้รับการยกย่องสารเสริญและชื่อเสียงที่ดีงามของเขาก็ย่อมขจรขะจายไปเมื่อเขาระลึกถึงกรรมดีที่ได้กระทําไว้ก็ย่อมมีความอิ่มใจและการเป็นพลเมืองดีย่อมทำให้มีชีวิตที่สงบสุขประโยชน์สุขต่างๆย่อมเกิดขึ้นจากความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ที่ได้รับในชาตินี้และหากชาติหน้ามีจริงย่อมมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสุขในสุขติภูมิแน่นอนดังนั้นการเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงย่อมมีเหตุผลที่ดีกว่าเพราะอำนวยประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าแนวคิดที่กล่าวมานี้จึงเป็นความเห็นชอบเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งและเป็นคาแนะนาของพระบรมศาสดา ดังที่ได้ตรัสไว้ในมัชฌิมานิกายอปันกะสูตรความเห็นชอบข้อสิบความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระอระหันต์และพระอริยสาวกทั้งหลายว่าได้บรรลุโล ก, กุตระธรรมสามารถรู้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นทั้งที่ควรเชื่อถือพระธรรมคำสอนของท่านความศรัทธาเช่นนี้ ต้องมีรากฐานมาจากความเชื่อกฎแห่งกรรมด้วยเช่นกันและการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์นั้นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการบำเพ็ญบา ร, รมีซึ่งไม่ต่างจากการสั่งสมกรรมดีการสั่งสมบา ร, รมีคือกระบวนการเรียนรู้เปรียบเหมือนเด็กที่ต้องเล่าเรียนวิชาต่างๆจึงจัดว่าเป็นผู้มีการศึกษาดี พระโพธิสัตว์ก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเพื่อการบรรลุจุดหมายสูงสุดเช่นกันมารดาปิดาและผู้ใหญ่บางท่านมักชอบพาลูกหลานไปดูหนังดูละครในขณะที่คนอื่นพาบุตรหลานไปนมัสการพระเจดีหรือเข้าวัดทำบุญการชักนำของผู้ใหญ่มีการฝึกเด็กให้มีความเคยชินที่ดีหรือไม่ดี และสอนเด็กให้ผูกพันกับความเพลิดเพลินในการมคุณหรือพัฒนาจิตใจเด็กให้นิยมชมชอบในสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตความเคยชินกับสิ่งที่ดีและการเรียนรู้สิ่งที่ดีเป็นการสั่งสมบา ร, รมีอย่างหนึ่งในเด็กบางคนมีความโน้มเอียงไปในทางศาสนาโดยธรรมชาติส่วนบางคนมีฉันทะวิริยะในการปฏิบัติวิปัสสนา เรื่องเหล่านี้มีสาเหตุมาจากบารมีที่สั่งสมมาในชาติก่อนการสั่งสมบารมีพระสิทธัตถะโพธิสัตว์ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการสั่งสมอบรมบารมีเช่นทานศีลเนคข ม, มะ การออกผนวดเป็นต้นตลอดเวลาหลายกับการบำเพ็ญบารมีนั้นไม่อาจสำเร็จได้ง่ายในเวลาเพียงชาติเดียวแต่ต้องสั่งสมมานับชาติไม่ท่วนบุญบารมีที่ได้สั่งสมนี้จึงเป็นพลังให้พระองค์มีพระทัยแน่วแน่สามารถสละพระชายาและพระโอรสตลอดจนความสุขสาราในพระราชวัง เพื่อแสวงหาโมกกษะสะทุกวันนี้ผู้คนบ่นกันว่าเบื่อชีวิตแต่จะมีสั ก, กิลคนกล่าตัดสินใจละทิ้งทรัพย์สมบัติเพื่อออกบวชจึงเทียบไม่ได้กับการสละอันยิ่งใหญ่ในคราวทรงออกมหาพิเนสกรมของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีมากมายเพื่อที่จะสั่งสมปัญญาขันติ และวิริยะเป็นต้นในพระชาติสุดท้ายจึงทรงพิจารณาและตรัสรู้ความจริงของชีวิตด้วยพระองค์เองว่าสภาวธรรมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอาศัยการเกิดขึ้นบารมีที่ทรงสั่งสมมานั้นเป็นปัจจัยอุปธรรมให้พระโพธิสัตว์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในกรณีของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์ก็เช่นกันท่านเหล่านั้นมีบารมีที่ได้สั่งสมมาเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การตรัสรู้ดังนั้นความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมจึงเป็นปัจจัยให้ส่งผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระปจเจ ก, กพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ได้ประสบผลสำเร็จ และทําให้หมดความเคลือบแคลงสงสัยในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลลราวโดยสรุปทิศถูกปาทานหมายถึงการปฏิเสธกฎแห่งกรรมการยึดมั่นความเห็นผิดประเภทนี้ไม่แพร่หลายนักในสมัยพุทธกาลจนถึงเมื่อประมาณร้อยปีที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันนี้ ผู้คนหันไปเชื่อตามความเห็นนี้มากขึ้นเนื่องจากมีหนังสือหลายเล่มที่กล่าวโจมตีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมโดยอ้างว่าผิดหลักตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามในคำพีทางาศาสนาสรุปว่าการยึดมั่นความหลงผิดโดยทั่วไปนั้นมีตัณหาเป็นรากเหงา้าดังพระพุทธพจน์ว่า ตันหาปัจจยาอุปทานังเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานและเมื่อมนุษย์มีความต้องการทางวัตถุมากขึ้นความคลางแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมก็มักจะมีอำนาจมากขึ้นด้วยสาธุชนจึงควรระวังตนไม่ปล่อยให้ความหลงผิดเข้าครอบงำได้นอกจากนี้ ทิตุปาทานยังหมายถึงความยึดมั่นความเห็นผิดอย่างอื่นเช่นความเชื่อว่าพบเที่ยงและความเชื่อว่าพบขาศูนเป็นต้นแต่ไม่นับรวมความเห็นผิดสองชนิดคือศีละพัตตุปาทานและอัตวาธุปาทาน